เราได้อยู่ร่วมกันม า, าร่วมกันมาเป็นเวลาเจ็ดวันวก็คงจะได้เห็นผู้เกิชีวิตแบบพระแบบยมเท่าที่เราสังเกตเห็นว่าพระธรรมาก็ใช้ชีวิตแบบนี้ก็คือมีชีวิตยอยู่ด้วยการทำสิ่งที่จะเพิ่มให้เราได้ ประโยชน์ได้สาระตรงนี้ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ที่นีก็ในสิ่งที่โูตมาได้อยู่ที่นี่มีพวกเราได้พบได้เห็นอะไรที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรทางกายวาจาใจก็ดีก็หวังว่าพวกเราจะได้ให้ข้อคิดแล้วก็นำไปช่วยกัน เพราะว่าในการเทียมาพบครั้งแรกพวกเราก็ไม่เคยอยู่กับพระพระก็ไม่เคยอยู่กับพวกเรามา่ก่อนต่างคนต่างใหม่ดัง น, นั้นเราย่อมจะได้เห็นสิ่งที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างคําพูดการกระทําที่ทําให้เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเป็นธรรมดาเพราะเรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนอยู่ก็ยังจะมีการผิดพลัง้งผือเรือบ้าง Uh, พวกเราก็เลยมีธรรมเนียมอันดีที่จะทำขมากรรม uh, เพื่อไม่ประมาทนะซึ่งก็เราจะได้ทำโอกาสต่อไป Now we perform about the tradition Thai tradition Actually we come here live together with the monk monk stay with you but we are different experience So we can see each other as a uh, something c e r t i f y you, something u n s r t i f y some speech, some action, uh, something uh, like you, something dislike you. So we need to uh, excuse each other by perform tradition. So our the representative our e s s i b l y will perform in the next. Okay. So after that, I will give you the give the breath with the whole with three months. Give you the breath. Okay. เราทำก อาหังรุมเฮหิปิเมคมามะฆมิตพางสาธุพันเตยยกถาดนมิมนพระแล้วนั่งขบวนเอายกถาดมาตัวแทนของเรแทนของเราก็จะเอาขันดอกไม้มาประเคนพระตามประเพณีเพราะว่าพูดผิดอยู่คำเพราะความไม่ประมาทด้วยเทินต้องขคาความประมาท <laughs> ถ้าไม่ประมาทไม่ล่วงเกินกันแน่ <laughs> <laughs> <laughs> ตามหนังสีจะได้ผิดตามหนงสือเอาไปรับ <laughs> พระจ้า นั่งตามปกติก็ที่เราเอ่ยว่าจาว่าอาจาริเยปมาเทนัทวาระตะเยนะกะตังสพังอรท า, งาทังคมทุนุพันเตข่าแต่พระอาจารย์ขอพระอาจารย์ได้ให้อโหสิกรรมแก่กข้าพระเจ้าทั้งหลาย ที่ได้ลุ่งเกินด้วยกายวาจาัใจก็ดีแก่ให้เป็นบาปเป็นโทษแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอืด้วยที่ได้ลุ่งเกินในที่รับก็ดีที่แจ้งก็ดีอโดยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีอันนี้เป็นประเพณีที่ดีเพราะว่ า, าการที่เราทั้งหลายเนี่ยได้มาพบกันแล้วเราก็จะให้แต่สิ่งที่ดีๆแก่กันแต่เนื่องจากว่าเรายัางเป็นมนุษย์ปุถุชน ยังเป็นตกอยู่ภายใต้าอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจอยู่สิ่งนั้นก็จะทําทให้เราเศร้าหมองได้ในจีใจฉะ <c oughs> นั้นในคำสอนบุรีเจ้าว่าหนึ่งเราจะไม่ทําให้ใจเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงประการที่สองทำให้ใจดีปกติดีเสม อ, อประการที่สแล้วก็มัน ดูแลชลาระจิตทำความสะอาดจิตอยู่เป็นประจำมีคคำสอนของท่านมีสามอย่างแค่นี้นะทุกอย่างเกี่ยวข้องด้วยใจหมดเลยนะการทาให้ใจสมองแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ทำสิ่งที่ดีขึ้นมาแทนแล้วก็ทั้งสิ่งดีและไม่ดีก็ผลที่ชาระออกไปในบักครังเหมือนในห้องนี้เรามีทั้งของที่ดีและไม่ดีเราเอาเข้ามาใช้ แต่เมเสร็จธุระเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะเก็บเข้าที่ข้อทางของมันปล่อยให้ห้องนี้ว่างเพื่อพร้อมใช้อยู่เสมอใจเราในวันหนึ่งมันก็มีทั้งที่เรานํามาคิดเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างแต่เมื่อถึงเสร็จธุระแล้วแล้วก็เอาทิ้งทั้งเรื่องดีและไม่ดีให้เหลือแต่ใจล้วนๆเหมือนแก้วที่ว่างเปล่าถ้าหากว่า แก้วนี้ถ้าเราใช้วันหนึ่งใช้ใส่น้ำดื่มบ้างใช้ใส่ยาดื่มบ้างใช้ใส่ยาพิษบ้างยาบำรุงบ้างเสร็จแล้วเราก็สามารถล้างทิ้งได้แล้วมันก็ยังเป็นแก้วเปล่ามาเดินพร้อมใช้ต่อไปใจล้วก็เหมือนอย่างนั้นที่พุทธเจ้าท่านสอนนะข้อใจที่พร้อมใช้นะทำให้เราจะไม่มีพิษไม่มีโทษแต่ถ้าหากว่าเราไปใส่กาแฟพอดื่มเสร็จแล้วก็ไม่ล้างเก็บไว อาจจะเป็นต้องใช้เอาไปใส่ยาเสรยแล้วก็ไวเสรแล้วไปใส่กาแฟในที่สุดแก้วนี้ก็จะเิอะเทอะเปื้อนไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เป็นบูดเป็นราเป็นไวรัสเป็นไรขึ้นมา้าที่ใส่อะไรใส่ต่อไปก็หลังแต่จะเป็นโรคกะกระเราจิงใจเราก็เหมือนกัน วันวันหนึ่งก็ควรจะใช้แบบนั้นวันหนึ่งเราใช้ใจของเราคิดในทางดีบ้างไม่ทีทางเราไม่ดีบ้างแต่ตอนเย็นเย็นมาแล้วก็มีเวลาชำระจิตของเราก็คือก่อนหลับก่อนนอนเข้าคนที่จะนั่งเจริญภาวนาเพื่อชำระจิตเวลา10นาทียีสินาทีหรือชั่วโมงตื่นเช้าขึ้นมาก่อนที่จะออกไปทำภารกิจอื่นๆแล้วก็มีการสวดมนต์ภาวนาเพให้จิตใจผ่องใสตั้งต้นวนใหม่ อีกต่อไปเป็นอย่างนี้เป็นภารกิจนะอันนั้นบัด น, นี้พวกเราทั้ไหลยก็ได้มาทำภาระหน้าที่งานนี่เป็นงานสูงสุดคืองานพัฒนาจิตตัวเองอัะ น, นั้นบอกว่าเอ๊ะฉันจะทำงานฉันไม่ได้มาภาวนาการภาวนานี่ก็เป็นงานอันหนึ่งที่ <c oughs> ที่ญี่ปุ่นธรรมเนียมของญี่ปุ่นนั้นเขาจะรับคนเข้าทำงานนั้นเขาจะต้องมีใบ ประกาศรับรลองว่าคุณได้ผ่านการฝึกฝนภาวนามาสำนักใดสำนักหนึ่งมาโชว์เพราะนั่นที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจึงมีสำนักเซนอยู่ทั่วไปพี่จะฝึกสมาธิก่อนเมื่อทุกคนจบการศึกษาแล้วต้องไปฝึกสมาธิกับพระเซนสำนักเซนเพื่อที่จะเอาใบประกาศเนี่ยเวลาไปสมัครงานเขาจะเราถามหาใบนี้เสมอใน Meditation c e r t i ติฟิของคุณมีไหม ถ้าไม่มีเขาก็จะไม่รับก่อนเขาบอกว่าความรู้ที่คุณเรียนมาทั้งหมดเนี่ยถ้าจิตใจคุณไม่ดีเสี้อย่างเดียวความรู้พร้อมที่จะเป็นโทษกับหน้าที่การงานแต่ถ้าหากว่าจิตใจของคุณดีแล้วความรู้จะดีไม่ดีไม่มีปัญหาเพราะความรู้ฝึกกันได้แต่ใจนั้นฝึกกันยากเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเขาจึงมีความก้าวหน้าในแง่ของการเศรษฐกิจการเมืองสังคมเพราะเขาให้เน้นให้ความสําคัญแก่จิตใจ ดังนั้นทางธรรมเนียมของเราก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะนั้นเองก็ปฏิก็ตไดไมาถึงจุดนี้ก็จะได้ให้พระอาจารย์ทั้งสองท่านได้ให้พรหรือให้ข้อคิดเพื่อที่เราจะนําไปขมวดวราะที่เราได้ที่นี้เจวันเนี่ยคนจะจําจเป็นข้อความมาเล็กๆที่เราสามารถจะลืมยากสักหน่อยสิ่งท่านทั้งสองอาจจะฝากอะไรให้เราคนอนจันทร ค, คุมกิจก่อน <c oughs> ในช่วงที่ได้มาอยู่ร่วมศึกษากับกรานี่ขอบคุณที่ทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองในช่วงที่ เจ็ดวันที่อยู่ที่นี่เราได้เห็นตนัวเองหลายอย่างในสิ่งที่ไม่เห็นไม่เกิดก็เห็นขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจหลายๆเรื่องของเราอีกอย่างหนึ่งพฤติกรรมคำพูดอะไรที่ที่กระทำไปแล้วมันไปกระทบกระเทือนความรู้สึกเราขอโทษด้วย ที่ขอบคุณมากที่สุดก็คือเราได้ทหนาทีของความเป็นพราดรอบใช้พระพุทธได้ถ่ายทอดเรื่องที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ควรรู้จักถ้าตามว่าหวังอะไรไม่ได้หวังอะไรเลยถ้าว่าโดยสัจจะ แต่ถ้าจะพูดแบบสมมติว่าเราหวังอะไร5วัน7วันที่อยู่ที่นี่คุณจะจำอะไรไม่ได้เลยที่เราคุยกันมาก็ตามแต่ถ้าคุณรู้จักความรู้สึกตัวอันนี้จากการประเมินโดยโดยโด ย, โดยที่สังเกตเพวกเราเนี่ยเข้าใจว่าทุกคนเริ่มรู้จักกันว่าความรู้สึกตัวที่เป็นสัญชาตญาณที่เราไปไหนมาไหนไม่ล้มไม่หกไม่ล้มข้ามถนนไม ในรลดชนกับความรู้สึกตัวที่เร า, าเป็นความรู้สึกที่เป็นสติปัฏฐานคือความรู้สึกที่ขณะก้าวขณะเดินไปอย่างรู้สึกตัวเห็นอาการกายอาการใจทั้งหมดนั้นต้องการให้รวน้นี้จุดนี้เป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาทั้งหมดไตรสิกขาในระบบพุทธศาสนาที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือคนมันมีสามด้านด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาสามด้านเนี่ยตัวที่ รีว่าสตินั่นแหละคือตัวตั้งต้นของสิกขาตัวสตินี่คือตาที่สามของคนตาสองตานี่มันมองออกมาข้างนอกตอนนี้หลังตึงปวดหลังปวดขาคนใช้อะไรดูนี่คือตาที่สามทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยระบบสิกขาเนี่ยสิกขาเป็นภาษาบาลีคูยให้ฟังวันนั้นครั้งหนึ่งแล้วคุณจำคำนี้ไว้ สิ่ขารูดรากศัพท์ของเขาคือสระกับอิค่ะสะแปลว่าตนหรือซึ่งตนอิค่ะแปลว่าดูหรือเห็นการเห็นตนเองนั่นแหละชื่อว่าการศึกษาตัวนี้เมื่อเห็นตนเองชัดเจนเราจะเห็นพฤติกรรมทางจิตคือความคิดความนึกความรู้สึกเมื่อเห็นความรู้สึกนึกคิดของตนก็ย่อมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดัง น, นั้นการ เห็นตนเห็นไกายเห็นใจตนจริงควบคุมทั้งด้านพฤติกรรมด้านความรู้สึกทางอารมณ์แล้ก็ด้านการใช้เหตุผลนั้นตัวความรู้สึกตัวตัวเดยวจึงเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการศึกษานั้นจึงขโมดเรื่องที่สั้นที่สุดให้พระที่เจ้าก่อนจะบริญิพานได้สรุปคําลงคําหนึ่งว่าทั้งหมดที่กล่าวนี่เหมือนพ่อแม่ที่จะตายจากไปจะฝากมรดกสชิ้นสุดท้ายไว้ให้ลูกพวกเราคงเคยได้ฟังว่าก่อนที่พระเจ้ ปิดพระโอษครั้งสุดท้ายท่านบอกว่าอปภมาเทนะสัมปาทิตท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเป็นการคำวัดทั้งหมดเลยคําว่าไม่ประมาทนั้นเป็นไวยพจน์ของคําว่าสติผู้ใดมีสติผู้นั้นชื่อว่าไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทชื่อว่าผู้มีสติผู้ ามาแล้วชื่อว่าตายแล้วแม้ยังเป็นเป็นสดสดอยู่เนี่ยคุณก็ชื่อว่าตายแล้วเพราะจิตวิญญาณของคุณล่องลอยไปไหนไม่รู้ไม่สามารถสัมผัสการ น, นั่งสดสดได้รู้สึกสดๆดได้จึงเป็นซากศพที่เดินได้นั้นความรู้สึกตัวนี้จึงเป็นมมเมล็ดพันธุ์แห่งการพัฒนาสกายบาของความเป็นมนุษย์พัฒนาความสุขพัฒนาความสงบร่วมกันของสังคมที่มาอยู่ร่วมกันที่นี่ทั้งหมดนี่ ถ้าบอกว่าหวังก็หวังให้คุณไปทำสิ่งนี้ในส่วนอื่นความสามารถในการจัดการเรื่องการเรียนเรื่องการช่อเหลืออันนี้จะเกิดจากธรรมชาติคุณลักษณะของพุทธภ า, าวะมันจะมีอยู่3ประการผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานเราเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้านั้นเมื่อปัญญาเกิดรู้แจ้งสัจจะความจริงแล้วธรรมชาติของความบริสุทธ ความไม่อึดอัดขัดเคืองความปลอดปลโปร่งล่งใจเกิดขึ้นแล้วสภาพที่เกิดขึ้นมาตามสภาพธรรอะไรก็คือความกรุณาพี่น้าจึงมีปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณและมหากรุณาที่คุณผู้ใดเข้าถึงพุทธิปัญญาอันนี้แล้วมีความปลอดปลโปร่งล่งใจจะมีธรรมชาติที่กรุณาออกมาโดยธรรมชาติมากแม้คุณจะอยู่ในป่าอยู่ในดงก็ตามสภาพอันนี้เหมือนต้นไม้ที่มีร่มมีเงาและมีผลไม้ นก อ, อยูที่ไหนก็ทามันจะบินมากินสภาพแห่งความรู้อันนี้ความรู้สึกตัวนี้ที่พัฒนาไปถึงจุดที่สมบูรณ์ระดับหนึ่งแล้วมันจะทําให้เกิดความคลี่คลายเป็นอิสระแล้วความโกรณาจะเป็นไปตามธรรมชาติยิ่งบทบาทของความเป็นครูของท่านอาจารยจึงไม่ห่วงในเรื่องการคุณจะไปประยุกต์อย่างไรขอให้คุณเอาเรื่องนี้ไว้คุณไม่ต้องขอบคุณอาจารย์คุณไม่ต้องเอาเงินมาถวายอาจารย์คุณไม่ต้องอะไรเลยกับอาจารย์ไม่ต้องการแม้แต่คำว่าขอบใจถ้าคุณอยากตอบแทนคุณจงทําเรื่องนี้บ่อยๆ ถ้าคุณอยากขอบคุณคุณตรงทำเรื่องนี้เรื่อยๆแค่นี้ก็พอไม่ต้องจำฉันไว้นะเท่านี้ก็พวกเราถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะยังคนรุ่นใหม่เป็นพวกที่มีความ กระตือรือร้อนสําหรับจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตความมั่นคงของชีวิตเราจะต้องตั้งอยู่บนเครื่องหลอ่อเลี้ยงก็คือพระธรรมการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี่ให้เปลี่ยนความเข้าใจว่าการที่จะพัฒนาชีวิตทุกขั้นตอ น, นจะต้องมีธรรมะเป็นพื้นฐาน ถ้ามีธรรมะเป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาเนี่ยมันจะนําไปสู่ความพัฒนาที่ยั่งยืนพัฒนาที่มั่นคงคิดดูว่าเราจะมีความรู้มากแค่ไหนก็าตามถึงเราจะจบหลักสูตรชั้นสูงของการศึกษาก็ตามแต่แต่เราเห็นอยู่เรื่อยว่าคนที่มีความรู้สูงเนี่ยก็มีความทุกข์เมื่อวันก่อนนี้ก็มีข่าวที่ดรไม่เห็น เป็นร้อยตัวหมดเองไปยิงตัวเองอยู่บนรถเก๋งรถเบนสนะ์รถเบนส์ไปขับเป่าขับตัวเองอยู่คารถเนบนส์วัตถุภายนอกก็ดีความรู้ที่ได้จากการศึกษาเราเรียนมาแบบหลักสูตรมา ก, ก็ดีสุดท้ายไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ที่แท้จริงหรอกนะเป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่การที่เรามีธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทางจิตใจแห่งความเป็นอยู่แล้วเนี่ย ถึงจะไม่มีสิ่งนี้เลยก็สามารถที่จะมีความสุขได้ยิ่งเรามีความรู้แล้วก็อยู่ในฐานะที่ต้องเป็นผู้ที่สือ่ออะไรบางอย่างให้แก่คนที่เขามาพึ่งพาใส่เราเนี่ยหรือเป็นแม่พิมพ์ของเด็กๆทั่วๆไปเนี่ยยงจาเป็นว่าเราจะต้องมีสิ่งนี้ให้เรามีกอกาได้สัมผัสธรรมะนั้นก่อนแล้วสิ่งที่เราได้สัมผัสแล้วนั้นก็สะท้อนไปเป็นเรื่องของพรมวิหาร อย่างถูกต้องมีเมตตามีการุณามีมุทิตามีอุเบกขามีความฉลาดในการใช้ปรมิหารบุคคลประเภทใดที่ฉลาดที่จะใช้เมตตาที่จะใช้กรุณามุทิตาูุเบกขามจะใช้ได้อย่างถูกต้องนะถ้าเราไม่มีธรรมะแล้วนะเราเราใช้ไม่ถูกว่าคนประเภทนี้เด็กกรณี น, นี้จะใช้คุณธรรมข้อไหนที่จะให้แก่เขานะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือเป็น สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นต่อเมื่อเราได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติรรมแล้วเราก็ช่วยกันนะเราช่วยกันทุกวันนี้เราสรุปร่วมกันว่าเป็นยุคที่จะว่าเสื่อมก็ใช่จะว่ามันนันก็ใช่แน่นอนอะเทคโนโลยีมันจเจริญมากแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนก็คือว่าท่านจิตใจก็เริ่ม อ, อ่อนแอไปตามลําดับนะถ้าเราไม่ช่วยกันทุกฝ่ายทุกฝ่ายแล้วเนี่ยก็ทําให้สังคมมีความ หวั่นไหวง่ายแล้วถ้าสังคมมันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็เป็นหนึ่งในสังคมเราก็พลอยจะได้รับผลกระทบอันนั้นด้วยถ้าเราทําหน้าที่ในการปฏิบัติธรรมเฉพาะตนแล้วก็ช่วยกันกระจายธรรมะช่วยแนะนําช่วยสั่งสอนตามหน้าที่เราที่ทําอยู่เนี่ยก็จะทําให้โลกร่มเย็ยนยิ่งขึ้นร่มเย็ยนยิ่งขึ้นก็ขอให้ช่วยกันในฐานะที่เราอยู่ในไวัยไล่เลี่ยกันศึกษาพระธรรมร่วมกัน สุดท้ายเราก็ช่วยกันที่จะทําหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์ต่อพุทธเจ้ามีความเคารพยาเกรงในพระองค์ช่วยกันปฏิบัติธรรมแล้วก็ช่วยกันแนะนําสั่งสอนสิ่งที่เราพอจะแนะนําได้เพื่อจะเป็นเครื่องช่วยโลกร่มเย็นยิ่งขึ้นเราก็จะได้อานิสงส์จากการประพฤติปฏิบัติเราก็จะมีความสุขนานด้วยและระยะเวลาที่ผ่านมาก็ร่วมกันนะสิ่งใดที่มีการร่วงเกินอะไรก็แล้วแต่ แต่สมาชิวสนามนี่ก็มีโอกาสได้ปฏิบัติร่วมด้วยเนื่องจากมาอยู่กับพวกเราที่มีความตั้งใจเป็นต้นเดิมอยู่แล้วก็ไม่ต้องอะไรมากก็ได้ทำความเพียรเป็นเพื่อนกันไปนะก็ขอฝากฝากไว้ในการจะทำหน้าที่ให้ความสงบร่มเย็นบังเกิดขึ้นจากสังคมที่เราได้อาศัยเราอาศัยสังคมอยู่ก็ต้องให้อสงสังคมนี้อาศัยเราด้วยก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็ขอฝากไว้แค่นี้เพียพอ ก็เป็นเห็นว่าในช่วงสุดท้ายนี้วันนั้นตอนพิธีเปิดโครงการเราเชิญคุณติ๊กฮะเป็นผู้มากล่าวเปิดต้อนรับทุกคนวันนี้อนมาในนามของพระสงฆ์และผู้เข้าปฏิบัติอยากจะขอเชิญคุณมากซึ่งเป็นเจ้าภาพอีกท่านหนึ่งที่เราได้มีเวลาและมีโอกาสได้เข้ามาปฏิบัติที่ตรงนี้ขอเชิญคุณมากข้างหน้าเลย่มาก์ผู้จึงเป็นส่วนหนึ่งของ ผูเป็นบุคคลที่สำคัญที่ก่อให้เกิดโรงเรียนชนิดนี้ด้ภาคเหนือและจะเป็นโมเดลของโรงเรียนของอในอนาคตต่อไปก็ได้จะให้คุณมาร์คได้กล่าวขอบคุณแล้วก็จุดมุงหมายพวกเราได้อยู่ที่นี่ด้ความสงบสุขและได้ปฏิบัติอย่างได้ผลดยความตั้งใจของครอบครัวของคุณมาร์คและคุณติ๊ก พวกเราก็ได้อยู่ที่นี่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและได้ฝึกซึ่งถือว่าครอบครองคุณได้สร้างคู่อุปการต่อพุทธศาสนามีอุปการะต่อพุทธศาสนาก็จึงอยากจะมาให้กล่าวไดให้ข้อคิดกับพวกที่เราได้เขา้าครบจนครบโครงการซึ่งคุณมากและคุณติ๊กมี เป็นเจ้าภาพก็ว่าได้ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นไทยพกอัตมาได้มารู้จักที่นี่แล้วก็ได้ให้สิ่งดีๆแก่คุณครูของพวกเราก็อยากให้คุณมาได้ให้ขาอคิดแรกในสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูและในการทำงานของของอาตมาต่อไปทีเดียว thank you very much I will talk in English, and Dick will be so kind and translate in between. Uh, thank you very much, Tan. To to honor Hapte, t h you come here and teach us something new. Our thought was that uh, building a Buddhist school is an undertaking that we, of course, have never done before, but we. Want to do with all our hearts. So we were lucky enough to have uh, Tanjasa Ro as our guiding light, and uh, and give us a direction how to proceed. At the same time, we realized that we need different kind of tools to uh, put into practice. Buddhism on a daily basis, because it can very easily become too theoretical, and uh, and the school could just be called a Buddhist school, but it's just another school on the planet, and that is not what we wanted. So this is why Dick said we have to find different ways, not only one. We have to look at different paths because every person is different. Every person has a different approach, has a diff different tune that we can uh, that we can understand, that we can tune into. So we cannot have just one way. Every teacher is different, every child is different. So we need to have different tools, you know, a toolbox. And. Uh, Of course, the Dhamma already gives us different approaches, because uh, Vipassana has different parts. It has uh, Vipassana in the quiet mode where you sit. You have Vipassana in the walking mode, and then now we learn you have a middle path where it's not too coarse and not too fine, but where you can sit and can some get into get inside with some smaller movements. คไม่เป็นไรค่ะบคุณมากก็ข อ, อกราบอขอพวกคุณท่านอาจารย์ทุกท่ททานนะค ะ, ะเราทั้งสองอตั้งใจที่ทำโรงเรียนนี้ด้วยใจทั้งหมดของเราที่มี เราโชคดีที่มีท่านอาจารย์ชยสโรกรุณาเป็นที่ปรึกษาให้นะคะแต่เราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเราต้องการเครื่องมือต่างๆที่เราสามารถที่จะฝึกเด็กๆของเรานะคะให้เข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนาที่ฝึก บุคคลของเราทั้งหมดในโรงเรียนให้เข้าใจแล้วก็ได้สัมผัสกับพุทธศาสนาถ้าไม่นั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่ชื่อว่าเป็นชื่อของโรงเรียนพุทธหรือว่าแล้วก็จะกลายเป็นโรงเรียนทั่ ว, วไปในที่สุดแล้วเราก็เห็นว่าทุกๆคนต่างก็แตกต่างกันมีจริตต่างกันเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะไปถึงทางแห่งพุทธศาสนาก็จึงแตก การคุณจะมีวิธีที่ ต, ต่างๆกันคุณครูทุกท่านต่างกันเด็กทุกท่านต่างกั น, กนมีลักษณะเฉพาะตัวของตัวเองก็จําเป็นจะ ต, ต้องมีเครื่องมือนะคะในกล่องหลายๆแบบที่จะมาใช้กับบุคคลแต่ละคนนะค ะ, ะธรรมะในส่วนของวิปัสสนาที่เราเคยคุ้นเคยก็คือในส่วนของอ การนั่งนะคะการนั่งอนาปนาสติแล้วก็การเดินจงกรมแต่การที่เราทำการวิปัสสนาแบบเคลื่อนไหวแบบสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะคะก็มันไม่มันดูไม่เคร่งเครียดเกินไปแล้วก็ดูไม่อิสระเกินไปซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทางสายกลางที่เหมาะกับคนส่วนมาก I personally find the uh, movement meditation of Moktian a very an express tool to get into um, deeper concentration. Sometimes, if we just sit still, we need some serious effort and uh, and willingness to go through all the things that come up and still be mindful. But i n d simple movements are, can take us very easily into states of concentration, and that might be very useful with children. I myself have no experience with that so far, but. I think uh, for many children, just sitting still might be a very difficult task. But to give them something to move, especially if the teachers themselves also have experience that this helps them, then they can probably transmit that you knowledge. So I'm really very, very grateful that we have found a way that might help us to uh, increase mindfulness and awareness in children. Thank you very much. ่งนี้จะขอแปลไปด้วยเลยนะค ะ, ะก็คื อ, อคุณมาร์กบอกว่าคิดว่าการทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวนะค ะ, ะสำหรับตัวคุณมาร์กเองประสบการณ์ก็รู้สึกว่าสามารถเข้าไปสู่สภาวะของสมาธิได้ง่ายกว่าการนั่งสมาธิเฉยๆนะคะซึ่งจะต้องต่อสู้กับติดค่อนข้างเยอะกว่า ก็เลยคิดว่าการนั่งสมาธิแบบนี้จะเหมาะกับเด็กๆซึ่ชอบเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะแล้วพอคุณครูทุกๆ ท, ท, ท่านมีประสบการณ์มากขึ้นเป็นประสบการณ์อยู่แล้วในการใช้สมาธิในการในการทำสมาธิเคลื่อนไหวก็จะดีมากสำหรับเด็กๆของเราะครับ